ต้องอาศัยคุณธรรมคือจะตื่นเชื่องนำจะติ่คือควมละลึกได้ปัญญาของเราตรงตามจะตื่ของเรอีกคือหนึ่งปัญญาคือควมรอบรู้ในกองสังขารจะติปัญญาจับ พาทั้งเราจนยกขึ้นยกศรัทธาทังเราขึ้นยกขึ้นเพื่อจะมาติดจิตสิดใจทั้งเรายกขึ้นเพื่อจะมาสร้างความดีให้เกิดให้มีขึ้นตัดใจทั้งเราความเพียรจึงจะตามมา คือว่าสตุปัญญาศรัทธาควรเทียนเป็นคุณธรรมเครื่องที่จะอนวยควรจุกและอนนวยประโยชน์เกิดขึ้นจากพวกเราที่ประพฤิปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ฉะนั้นการมีรสติกำหนดกำหนดดูตรงใจของเรา ใจของเราเป็นที่ตั้งที่รวมที่ท่านเรียกว่ากรร ม, มฐานกรร ม, มคือการกระทําฐานะเป็นที่ตัง้งใจของเราจะตั้งอยู่ในฐานอันใดในกรรมอันใดกรร ม, มฐานท่านให้กําหนดจิตตะตาวนาลงในกรร ม, มฐาน กรรมคือการกระทันหานะที่ตั้งกรรมการกระทันในดวงจิตจิตใจของเราในขณะ น, น, นี้เราจิตอันใดอยู่เอาอารมอันใดมาเป็นแนวคิดคือจิตใจของเราคิด หรือว่าอารมณ์อันใดจนที่ตั้งอยู่ในขณะนี้นเรากาหนดดูคือเราต้องการความสงอบจุดหมายตายทางเพราะความสงบเกิดขึ้นมือขึ้นความุก จะตามมาฉะนั้นการกำหนดตื่น ด, ดูจิตของเราเพื่อดูใจของเราดูรู้ว่าสีนของเรามันพร้อมอยู่ทุกขณะจิตไหม ถือคือความปกติใจใจของเรามีความปกติดีไม่เล่นวุ่นวายเดือดร้อนเรื่อ ง, ต, งต่างๆภายนอกพืชกันบนอะไรเรื่องกลาบนเรื่องวุ่นวายมันไม่ใช่เรื่องของถือศือคือความปกติอันนี้ ต้องปึูกจิตต้องทำจิตของเราให้มันอยู่ในความปกติซึ่งเป็นลักษณะของจิตนั้นได้ข้อฐานของจิตที่อเป็นไปเพื่อสมาพิรรรมมฐานน่ถ้าจิตมีความปกติถึงเืียงลองรับอยู่ก็เรียกว่าเราได้ฐานที่ดี มีสินเป็นพื้นฐานส็จิตของเราเท่านั้นที่จะการรู้เรื่องของจิตใจว่าจิตของเรามีพื้นฐานคือสินเป็นเครื่องรองรัดถ้ามาอายใจก็จิตกับปัญญาถึงเครื่องตามระลึกการรู้แลใจของเรานัาน่นแหมันเคอยจิตกจ เรื่อของที่เหลือเรื่องของสัญหาอารมณ์ประเภทนั้นเขาผีกําลังมากมีอำนาจมา ก, มากเพราะมันมีในดวงจิตดวงใจของเรานับพบนับทราบในทุน่นเราเขามีกําลังมากต้องอาศัยก็คืออาศัยจัญญัง จึงเป็นหลักพุทธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้กั่นกองมาแล้ววิชาธรรมเท่านั้นถึงจะรู้เรื่องวิชาของกิเลสวิชาธรรมเท่านั้นถึงจะรู้เรื่องอุบายของกิเลสแนวคิดของกิเลสนั้นวิชาธรรมที่หลักคําสอนของพระพุทธเจ้า จึงมาสอนให้พวกเรารู้เรื่องของจิตใจว่าอะไรเป็นสื่อนำอยู่อะไรเป็นเครื่องทําให้จิตใจของเราเป็นทุกข์อยู่ทั้งฝ่ายเหตุด้วยทั้งฝ่ายผลด้วยฉะนั้นหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงว่ายุดเลือปัญหาฉะนั้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะของจุดโดือดปัญาให้มันรู้ คือเลือดคุณเชื่องของจิตและปัญญาเท่านั้นแหละเพี่ร์ตารหรือว่าลักษณะอาการจิติยาที่มีในจิตในใจของเราอย่างนีน้อย่างนี้มันเป็นเรื่องของกิเลสใน่เรื่องของบาตของกรรมตามหรือตามเลือดถ้ามีกิเลสเป็นพื้นฐานของจิตของใจและมันเป็นโค้งส่วนเหรอ มันเป็นโค้งส่วนผลฉะนั้นเรามามีสติกำหนด เ, เลิกว่าใจของเราที่เรามาฝึกเพื่อฝึกออกจากอารมณ์ของที่เหลือปัหาวค ว, ว, ว, ว, ว, ว, วามโลภความโกรธความหลงฟุ้งซ่านัำคานให้มาตั้งอยู่ในฐานของถื น, นเป็นเรื่องแรกเรอความปกติใจ ความกติมีอยู่คุณเครื่องของธรรมนะนีะ่ยมันก็จะเกิดความสบายทางใจขึ้นเจอความโล่งอกโล่งใจขึ้นคุณเครื่องของธรรมของสิ่ของธรรมอันนี้เรามาฝึกน้อมจะเสาะจิตพบควรเข้าหาดวงจิตของเราโดยเฉพาะพบควรเข้าหาคุณเคื่องของธรรมอันนี้ แล้วเรามาแต่งใจของเราแตลงจิดแตลงใจของเรามักจคือนแปลงเมื่อเรามีพื้นฐานคือความปกติใจความโล่ง อ, อกโ ล, ล่งใจเป็นลักษณะของธรรมเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งของจิต ด, ดีแล้วเ <c oughs> จตจิของเรากักัญญาของเราเนะี่ พยายามรักษาให้ใจของเรามันนึงอยู่กระฐา น, นนั้นคำกับคำบริกรรมเข้าไปเราจะบริกรรมพุทธโธธัมโมสังโฆเราก็กำหนดจ้องรักษาที่กำหนดที่บริกรรมอยู่นั้นในขณะเดียวกัน ให้มารู้อีกเรื่องที่ว่ากิเลสปัญหาหรือว่าสังขารควรชิดจิตคือมันชิดขึ้นปรงขึ้นแหลมมิโลแลยเพิ่มถ้าม่อาคุณธรรมคือจิออตกับปัญญาเป็นเพื่องการรู้ตามรักษาแล้วไม่ทันไม่รู้เรื่องว่ากิเลสมันขึ้นมาก็กิเลสมันขึ้นมาตัดเส้นทางที่ จ, จะเป็นสมาธิ เราไม่รู้ฉะนั้นคุณเครื่องทีรื่ น, นํารู้เพื่อจะติดกับธรรมญาขเรามีตั้งสามรักษาตามเลือกเพลินตามเอาใจใส่ในการรักษาจิตใจของเราให้มีความมั่นอยู่กับธรรมบริกรรนั่นงานอันนี้เป็นงานที่ละเอียดอ่อนมากงานอันนี้ที่เป็นงานที่จะเอาใจใส่มากท่อนฉองมากทางด้านจิตใจ ฉะนั้นคุณเครื่องของสติกับจัญญาจริงใช้ <c oughs> ยอยู่ทุกขณะจิตในขณะเดียวกันความอดความทนของเราไปเกิดเป็นพรใช้มาพรถ้าความอดความทนมันเป็นธรรมเราต้องนำมาใช้การละการบาง ความอดความทนละวางอารมณ์ที่มันปรากฏกับจิตใจของเรานั้นด้วยละวางสิ่งที่เกิดขึ้นในธาตุในขันของเรานั้นด้วยที่มีความปวดความเจ็บความเหนื่อความเมื่อยความหิวพยายามปล่อยวางจากความรู้สึก มีการละการปล่อยการด่างที่จะนำความอดความทนเข้ามาเป็นเครื่องประกอบเล่นไแต่เราจะใช้ทางปัญญาพิจารณาควาเกิดควร ท, ทุกข์ควาทุกข์าเวญนาอีกส่วนหนึ่งถ้าเราจะใช้ดาา้นานปัญญาพิจารณา แล้วก็ทุกข์ใจมาให้เห็นสภาพอันนั้นมันเป็นยีมีอยือยู่ในรูปในร่างอันนี้จะลืมไปที่ไหนเลืนไปที่ไหนไม่พ้นถ้ามันประกันอยู่กับรูปรูปของเรารูปหญิงรูปชายรูปทุกเทศทุกใบนี่แหละปรากฏเป็นรูป อ, อยู่อย่างนี้ความเจ็บความปวดเราเมื่อหัวมันต้องมีอยู่อย่างนี้ ถ้าไม่มีมันก็ไม่พบอาการของของลูปของธาตุมันจะไม่พบอาการของรูปของขันเวทนาขันขันตัวว่ากองเรื่องสิ่งที่รวมอยู่ประกองรูปสิ่งที่รวมอยู่กับธาตุค ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตาุไฟทองเป็นส่วนและเหยู่อเป็นเรื่องของจิตเป็นอาการของจิตมีอมากตาจิตตาเจ้าของเราเชื่อเปนมือกิเลสกัญหาเป็นชั่วนำพาโสดในภพในชาติจนลูกเนร่างเป็นธาตุเป็นขันมันต้องมีอยู่อย่างนี้ เราจะรับรู้ก็าตามไม่รับรู้ก็าตามมันมีอยู่อย่างนอส้สิงที่คนอยู่มีอยู่เนี่ยแบพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์มาเดินสอนให้พวกเรากลัวในสิ่งที่มันเป็นอยู่มีอยู่พระ อ, องค์สอนให้ดูสอนให้รู้ มีเรื่องของปัญญาพิจารณาม่ได้สอนให้กลัวเฉยๆถ้ากลัวก็กลัวอันเดียร์ที่มีจะจิมีปัญญาถ้าเราไม่โดยพิจารณาด้วยก็จิตด้วยปัญญ า, า, ารับรู้ตามความเป็นจริงว่าาตขันท์เขาคป็นอยู่อย่างไรแล้วกลัวแบดไม่มีก็จิไม่มีปัญญา กลัวแบบนี้ไม่พ้นจากทุกข์จากโทษถ้ากลัวบบบที่มีจิตมีปัญญาอาไส้ก็จะอ่าไสปัญญาพิพย์จนาแล้วเห็นบ้าจึงนี้เป็นทุกข์เป็นโทษเป็นทิเนพเป็นไทยจริงเอาความกลัวที่ออกจากทุกข์กว่าโทษคือปัญญาทิยาพย์นาแล้วแบบปัญญาเห็นแล้วโดยทอบกลัวแบบนี้ พระพุทธเจ้าสอนว่ากลัวได้เหตุด้วยผลด้วยสัมมาทิฏฐิควรคิดควรเห็นถูกต้องตามจรนอ ง, งทองธรรมเอ้สวนกลัว น, นี้เห็นว่าเป็นพุกจริงๆเป็นโทษจริงๆเม่าต้องการอย่ากจะายอนได้าจเปิดเป็นรูป อย่างนี้ไม่ล่ามอย่างนี้แม้จขึ้นชื่อวพบธาตแล้วมันต้องมีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วเมื่อรู้ด้วยะจะรู้ด้วยจำย่างว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาขึ้นชื่อว่าการเกิดขึ้นชื่อว่าพบเล่ามันต้องมีภาตดมีกันมมีสุขมีทุกข์ สุขุกอันนี้แหละพวกเรามาจุดมาทองมามีอุปทานการยึดการถือกำลังของสติกำลังของปัญญาของเราอย่างน้อยเพื่อยังรู้ไม่ถึงหลักความจริงีของธาตุของขัน ยังมาฝึกสมาธิเื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมกําลังของธรรมคือสติเป็การเพิ่มเติมเสริมกําลังของธรรมคือสมาธิเการเพิ่มเติมเสริมธรรมกำลังของธรรมคือปัญญาดังนั้นการฝึกสมาธิ <c oughs> ผู้เอาใส่กาลังของธรรมคือสติการและลุกําลังของปัญญาการเลือกเต้นจิตเจรนาส่วนธาส่วนขันเขามีอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นให้คิดนาจนจิตเจ้าเรานั้นยอมรับปล่อยวางตามกระท่าความจริงๆส่วนจิตเจ้าคือผู้รู้ควนก็เสาะจิตของเราเข้าหาผู้รู้ ผู้รู้คือดวงจิตดวงใจนี่หนะึ่ไม่ไม่ได้ขาดไม่ได้หายไม่ได้สูญหายไปที่ไหนจิตใจอันแท้จริงแล้วไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดจิตใจอันแท้จริงล้วไม่ได้ตายไม่ได้จะไหลแต่ความหลงของจิตที่ไปยึดว่า ตัวตนทุกคนเราเขาแม้ความเจ็บความปวดทุกข์โดยตะนาไปรวมมาตปนของเราทั้งหมดหยุดจจิง จ, น, จนทุกเพราะอุปทานการยุดเพราะนั้นการแยกวัตถุตดด้วยปัญญาจึนจนจริงที่จะนําดวงจิตดวงใจของเราแยกออกจากธาตจากขันธ์ จึงวาการพวนกระแสจิตเข้าหาผู้ร <fifty S 1> <ham> ู้ tahu, ให้เห right. ็นดวงจิตดวงใจคือผู้รู้ควรมจิตความปวดทุกขารูปนั้นอีกอันหนึ่งอันนั้นคือโรูปนาจนธรรมอันหนึ่งส่วนจิตนี้ก็คือจิตเป็นลักษณะจิตอันหนึ่งการเข้าความนึิดเจตนาอย่างนี้เราใช้ความพราะคามเท่าเชียนเข้าตัวหมบดเข้ความทนการศึกษา คุณ น, น่าทำทางจิต <c> ่ <oughs> วนทพิจารณาอย่างนี้แล้ว่าให้รู้เท่าตาคนควรจริงๆว่าอันนี้จิตอันนี้ทำส่วนเป็นอาการของจิตสัญญาก็าดีสังขารก็ดีวิญญาณก็ดีเป็นลักษณะเดียวอาการของจิตเหมือนอย่างอาการในท่าสี่สันห้าของเรา รูปร่างตัวตนเราเขาจนอาการอันหนึ่งออกจากใจใจเข้ามาฟองอยู่ในร่างในอาการอันนี้ท่ายยกรงจับรงส่วนจนชื่อสมมติอันนั่นตงนั้นอันนี้ตนนี้อย่างอาการจามีสองแม ก็ผมขนเลดบันเห น, นะนือน้าอันนั่งเมื่อเอ็นกระดูกตัดเตาใกล้นะ้อยใกล้ให่อาหารใหม่อาหารเก่าโรอาการจอดละอย่างจอดละอย่างถ้าวยื่อกระเทือย่างนั้นนุ่ปากฏอย่างนั้นฉะนั้นอาการของจิตทื่ปากฏขเ้อนอยู่ที่เห็นดมได้พัดในขณะนี้ก็คือทุกขเวทนา หผู้รู้ก็คืผู้รู้ด้วยการศึกษาคนควรทบทวนหาความเป็นจริงด้วยก็จริด้วยจำยญางความรู้เท่าตามความริงนจริงอันนี้สันทุกโกผู้ปฏิทุที่แบจะรู้เองเห็นเดงผ่อนคายกันลงละ พอถอนจากควงยึดมั่นถือมั่นตามกําลังติตตามกําลังปัญญาของเราการกําลังศรัทธาตามกําลังที่เราพยายามภาคเรนรู้ได้เห็นชินขนาดไหนเพียงไรมันละถอนในที่ถือจิตควง ร, รู้ตัวขึ้นเพราะการพิจเจนนาอันถูกซ้อนตามปัญญาแต่ว่าเห็นเฉพาะควนจริงๆนั่นมันถอดถอนออกได้มันคลายออกได้ ดะนั้นวิทธาของธรรมจ <c oughs> ึ่งเป็นหลักธรรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้ามีสอนศึกษาใ น, นสิ่งเหล่านี้ควเรเกษรออกจากความยึดความถือควเรเกษรออกจา ก, กเกษรของกิเลสที่มันคับจูงจิตใจของเราไป มัวลุ่มหลงในภาตุในสันที่ยืดว่าอันนั้นเป็นเราอันนี้เป็นเราถ้าเราไม่เอาวิชาของธรรมเอาวิชาการสอนของพระพุทธเจ้ามาจำแนเกเจ็บแยกออกดูเ้าไม่มีทางเรียนรู้เข้าตามควรมจริงควรงจริงที่ ไม่อาศัยหลักวิชาคำสอนของพระรพุทธเจ้ามาแอกมันะมะก็มาก่อทุกข์ก่กอโทษเผาขีดเผาใจอยู่อยู่อย่างนั้นแหละฉะนั้นเราจึงที่จะออกจากทุกข์จะโทษจริงๆเราจึงมาอาศัยหลักข้อปฏิบัติดำเนินเริ่มตั้งแต่เรามาติดจิตของเราให้มีจิตเป็นพื้นฐานเป็นที่ตั้งเป็นเคร่งองรองรับของจิตของใจให้ใจเรามีความปกติใสเย็น อ, อกเย็นใจอยู่ แล้วก็มาธแล้วก็พยายามทำควร ม, มันตั้งมั่นขึ้นกับคำบริกรรมกําหนดเข้าจุดคือผู้รู้เพื่อจะาผู้รู้นี่มาจเมื่อเกศในสิ่งที่จิตใจของเราหลงอยู่เมื่อข้อใหญ่จะสวมการฝึกสมาธิจิตเพื่อจะยกจิตของเราให้พ้นบากควรยึดควรถือที่ ปรากดเป็นลูกเป็นล่างอันนี้อยู่ยกจิตยกจใจของเราให้มีสติมีปัญญาศึกษาตามควารมจริงอันนี้ให้รู้เท่าแล้วจิตใจของเราจะไม่ได้เป็นทุกข์มากพอเมื่อธาตุขันธ์เขาปรากฏขึ้นมาอย่าง็นที่คือการจิุดเข้าโดกตัวทันมาก ความทุกข์ยิ่งปรากฏขึ้นมามากตองอาสอ า, ายสิตอสายจัญญาอสายสมาธิจิตคือความสงบแล้วพิจารณาตามควรจริงล่ายนั้นถึงจะเป็นการปล่อยการบางในทางที่ถูกต้องเห็นทุกข์เห็นโทษในสิ่งที่ควรเป็นทุกข์เป็นโทษว่า ความทุกข์โทษอันนี้ไม่เจ้าเกดจากอืนอ่นใดมันมีแล้วในกายในใจของเราจรึงใดเป็นทุกข์เป็นโทษเพราะปฏิบัติอตื่นๆทวนญยาดนม่น่ะนะยิ่งจะมีความเฉลยอดเบิดยิ่งจะมีความละอายยิ่งจะมีความเจองปัวเพาเห็นเป็นทุกข์เป็นโทษจริงๆในข้าตผันตากฏขึ้นมาแสดองความทุกข์อย่างถึงใจ พาการพิจารณาการควรจริงๆจินหันพานเข้าใจเมื่อเทศนาธรรมมาถึงตรงนี้เห็นว่าพอสมควรเจ่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงแ่นี้ขอความสุขความเจริญจงมีแด่วพวกเราทุกท่านโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเธอ